จุดทางเป็นโกดังต้อกาให้กร้าสามทีแล้วก็ต้องมีขันดอกไม่ขึ้นบูชาเดินกลับมาข้างทางจุดข้างทางนี้ก็ต้องก้าอีกแล้วก็มีขันดอกไม่ขึ้นบูชาทำอย่างนี้หยุดเป็นเวลาสองพรรษ า, ารวมเป็นปีหกเดือน จากนั้นผมก็สึกออกมาผมยังเป็มห่วงในการปฏิบัติธรรมจากนั้นมาก็มีอาจารย์อีกคนหนึง่งมาตั้งสิทิ์มาตั้งสิ่งใหม่ท่านบอกว่าให้จากนั้นมันผิดท่านเลยมาสอนวิตีอรหังให้ผมก็เลยรับทำตามกับท่าน วิธี阿หังอ拉หังสัมมาอลหังเนี่ยทำมาในระหว่างนั้นผมอายุในเกณฑ์8ปีพอดีอายุ20ปีผมก็กลับเข้าไปบวชอีกเมื่อบวชแล้วผมก็เข้าอยู่ในสิ่เลยมาเจ้าของเคยทำกรรมฐานมา วิธีพุกเข้าโธออกว่าเจ้าของเคยตำนานทมกับครูบาอาจารย์มาทาเป็นสันเข้าเอกาคือสันเข้าเพเดียวในบาเจแปะเพรฉะนั้นผลการปฏิบัติธรรมะนั้นก็ทำมาอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆมา บว่อยู่ป็นเวลาหกเดือนผมก็ฝึกฝึกออกมาผมยังคิดในการปฏิบัติธรรมอยู่เสมอจนกระทั่มทงมามีครอบครัวเมอมีครอบครัวแล้วผมก็ยังคิดในผลการปฏิบัติธรรมก็ามาผมได้ตำลาวิสีของนุกได้เจ้าจังหวัดอุดร ผมก็เลยจะ ท, ทําวิธีพองนิ้วจังหวัดอุดอรเนี่ย ท, ทําวิธีพองหนอ่อหิบหนอคืออย่างที่เราทํากันนี่แหละว่าไสายา้ย่างขัวย่างแล้วก็เจาไปก็ว่าไส้ ย, ยกหนอยกต้นหนอไปหนอลงหนอถูกหนอกดหนออย่างนี้แหละทํากันอย่างนี้เป็นเวลาอยู่แปดปีทาอย่างนี้ ก็ดีอยู่อย่างเดียวกันแต่ผมยังไม่มีรถคือ ย, ยังไม่มีปัญญาอย่างนี้ก็มาผมได้ยินวิธีท่านอาจารย์ตานว่าวิธีจริงผมได้ยินอย่างนี้ผมก็เลยไปฟังเทศกับท่านอาจารย์มหาสีจันทร์ครับฟังตั้งแต่หกโมงแรง ถึงหกโมงเจ้าข้อสงสัยบุคคลนีออ้เลยผมถามเอาอยัาง่งให้มันมึดสงสัยเลยนะครับท่านก็เลยสุดท้ายเลยมาถ้าอยากรู้ต้องมาปฏิบัติเอาจะสอนกันเนี่ยบอเข้าใจท่านว่าจัางนี้เมื่อรับฟังโอวาทของท่านแล้วผมเป็นมึกอยู่เป็นเวลาตีนี้ผมคิดอยู่ คิดหาความสุขในการปฏิบัติธรรมนี้เป็นห่วงอยู่บ่เศ่าในขณะนั้นผมคิดอยู่ผมก็เลยลงมาปฏิบัติที่สำนักวัดหลังตึกมุกดาลามที่อำเภอปีตุงใหม่นี่แหละเมื่อมาถึงแล้วท่านอาจารย์มหาสีจัน์ก็เลยบอกว่าปีนี้จะได้ขึ้นประจำภรษาหลวงพบาง จะได้ให้หลวงพวันทองมาเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่ตรง น, นี้ผมก็เลยได้รับคำแนะนำจากหลวงพวันทองมาปฏิบัติธรรมะเมื่อมาปฏิบัติธรรมะอยู่ท่านท่านให้มีกรรมฐานการขอขอเข้าขอออกอย่างนี้ผมก็เลยทำกับท่านว่าขอกรรมฐาน เมื่อขอกรรมฐานในทาท่านก็เลยบอกว่าให้เปิดภาวนาตายตายอย่างนี้เนี่ยีมื่อผมมานึกอยู่ในห้องกรรมฐานของผมแล้วผมก็อเอ๊ะภาวนาตายนี่เราเฮ็ดมาหลายปีแล้วมันยังโบกปินี่อย่างเท่านั้นเผมคิดนะคิดผมก็เลยมาทำจังหวะอย่างที่ท่านหลวงพ่อวันทองสอนให้ตีนี้ตีนี้ ตื่นี้่งอย่างนี้ท่านสอนให้ยกตัวชั่งวะเมื่อมันหยุดทั้งกะให้ว่านี้เมื่อมันตื่นทั้งกะบอกว่าให้ว่ามันตื่นอย่างนี้ผมทำโยในขณะนั้นประมาณสักชั่วโมงผลนั้นเลยคือจกที่เบาให้เนี่ยอันว่าตื่นนิ่งกันมันเป็นการบริกรรมคันท้าหักละว่าอย่างตื่นอยู่กับเป็นการบริกรรม มันก็คิดไติดยุบคือกันกับเราว่าพุทโธพุทโธยังส่คือเขานะวา่าผมคิดอย่างนี้ทำวันนั้นเลยบได้ผลนอนตื่นเขาเอามามือหน้ากูที่เอามาคัากๆเราจพวกก็ตื่นมาก็ทากันรดอีกทุกคำันก็ท ำ, ทท ำ, ทำอีกเพ ทำอยู่ฮันพอดีในเกมตีห้านี่แหละผมลุกเดินจนกลมอยู่ก็ปรากฏเป็นแสงออกมาตัวผมนี่คือแสงในหิ้งห้อยผมก็เลยเข้าใจว่าธรรมะเกิดขึ้นกับเราแล้วบบบ น, นี้ว่ากัน ผมนึกไปนึกมาผมได้อ้ามือสืบถมมาส่งโทษอาบเป็นนิดแต่ว่าอันน้เอเนหายไปผมก็เดินจมกลมอยู่ไม่นานก็เกิดขึ้นมาอีกตึ่มมันฮุ่งเป็นแสงสว่างออกจากตัวผมนี่คายคายคือใต้กระบองนี่คือแสงตะเกียงตะพะยุนี่เนี่ออกจากมือผมผมได้เอามือทางสองมือมาแลกันไงวะ พรแขงธรรมะไมะ่ตึงีเนาะวะ่นผมเข้าใจว่าไม่ธรรมะอันนี้กระเดนแต่ตอนนีิ อ, อ่ะเราอ่า น, นือผสมผงมสมโพนเนี่เป็นนิดๆแล้วอันเนียว่านก็เลยหายไปอีกตผมก็เดินจมกรมอยู่เดินไปเดินมาเดินห้องแคบๆเมื่อเดินไปเดินมาเนื่อแล้วก็ลงมานาั่ง นั่งมีเมย ง, งอตัวนึงตกลงมาตั้งเต็มบนตกใส้ขาผมเนี่ยผมก็เลยพี่จรนาเอ๊ะนั่งเมึงเมย ง, งอตกเกิดมันเขาบดตอดผมมันก็เลยอยู่กับข้าผม เ, เอีลูกมีมันบดให้เงี้งให้กันเนี่ผมเลยเข้าใจอย่างสิโลต์ขารเรากรเร็เป็นลูกเม่งอจะเป็นลูก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 น้ำนี่บังคับให้ลูกทำลูกกับน้ำไม่ที่สิทธิ์กันยิ่งว่าสาวจะเถือนผมก็เลยเข้าใจเรื่องลูปน้ำชัดนะตียนก็เป็นรูปเป็นน้ำเพราฉนั้นผมเข้าใจอย่างที่แล้วผมก็เลยเอาไม้มัดให้แมงงอดใตออาจะกขาผมแล้วก็ออเอาแมงงอดออกไปวางไว้พอได้แมงงอดเน้นออกไปวางไว้ทางมอกุณแล้วผมก็เลย ทำอีกตัวมันเลยปรากฏขึ้นมาว่าเอ๊ะรูปนานี่เป็นทุกข์เด้การเคลื่อนไหวทุกขนเป็นทุกข์แมสัตว์เล็กๆน้อยๆก็เป็นทุกข์จะเป็นเจ้าฟ้ามหากรย์ก็เป็นทุกข์อ๋อฉันว่าทุกขังอนิจจังอนัตตานี่มันการเคลื่อนไหวคิดตาหาใจคิดยึด ทุกช่วงนี้เน่ยเน่ยทุกห่างเนีอันนี้จังนี่เพราวะเราจะนั่งอยู่จากชั่วโมงหนึ่งนี่วันให้หนึ่ยให้สี่จากน้อยนี่กระทนโบได้โอ้อันนี้มันเป็นอันนี้จังเนี่ผมเลยเข้าใจแต่ที่ช่วนอนัตตานั่นเนี่ยบังคับโบได้อย่าพิจตาเบื้องลุอย่าหาใจเบื้องลุอย่านึกอย่าคิดเบื้องลุทั้นจากชั่วโมงหนึง่งโบได ผมเลยเข้าใจว่าโอ้ทุกครั้งอนิจจังอนัตตาเกิดดับเนี่ยลงยุทสภาพเดียวกันนี่เพราะมันมุจเตะอํานาจบังคับบัญชาผู้ใดผมก็เลยคิดอย่างนี้เมื่อคิดถึงมาแค่นี้เนี่ยน้ําตาผมเลยพังออกดยนั้นถังมางนะครับมันไหลออกมาซื่อๆน้ําตามันไหลออกมาผลน่าสมเพชน่าสงสารที่ผมเคยทํามา ทำให้มันเสียเวลามาเป็นเวลาหลายอย่างน้นตานี่ไหลอยู่อ่านั้นก็มาผมมาคิดถึงสภาพทุกผมเคยเป็นคนติดบุหรี่ครับผมชู้บุหรี่นี่บได้าให้ให้ผมตาบุหรี่นี่กร อ, อยังผมว่ากับหวงจู ลงมาเนี่ยให้เสาซุบบุรีเนี่ยให้ตายสาบลงเขาขึ้นันนั้นไปกันผมมีบุรีกับไม่ขีดติดอยู่หันค้างของมันผมก็เลยมารู้จับทุกหายใจเข้ากับเป็นทุกหายใจออกกับเป็นทุกคืนน้ำลายลงกับเป็นทุกวันนี้มึงสุบบุรีนี่กะจะเป็นทุกบ้าวา่าท่านบ้า น, นี่ทุวกว่าท่นสู้ตรด้วยมึงซุบได้บ้าว่าท่นผมถามผมเองเนี่ย จุบโบได้แล้วขันโบดุญาให้จุบกับจุบโบได้แล้วอ่ะ่นเอาจุบบนรูอ่่นจุบโบได้ท่อนดุญาผุญาให้มึงไปจับเอาบรีเอาไปเอาไปแตะไปมือเดียวมันะจับโบขึ้นเอ้าเอาขึ้นมาแม่เอาขึ้นบได้ขันบดุญาให้สะก้อนอ่ะ่นผมก็ดุญาให้มเอาจับขึ้นมาบัดเนีจับขึ้นมาทอดโบลีออกจากมันก่องมันทอดบออกเลยมือเดียว คันให้จับเอามีเดียวนี่กรทอดบ่ออกจําเต็มต้องขันบอให้จับสองมือกระทอดบ่อใดผมกระดุญน่าให้เอ้าทอดออกมาบังด้วนสิเอามาจ่อเสีปากผมเนี่ยเอาบังดุวนเอาได้บ่อสนเอาบ่ได้ขันบอนดุญาตให้อ้าปากขึ้นตะกอนเราสนมันหักเป็นในตัวมันได้ครับเรอเนี่ผมกระดุญาเนี่ยอ้าปากบังด้วนสิอ้าปากเอาบุหรี่สูบยัดเสียปากนี่แบบเนี่ย มันม so ีบุรี่นั้นพวกมีไฟป่ะเนี่ยซูบบัได้ธรรมดาไปบัวไม้มันนี่ก็เอ้าซุบกระดูสูุบบัไดคันบ่วออกไปมาใส่เอ้าเอากับขี้กระดูสแตมันจับมือเดียวจับมือเดียวมาต้อยกับขี้กระโบเตนไม่มือเดียวมันนี้คขันบัวอญาตให้จับจองมือกรบโบไดแล้ววะั่นผมก็เอาดูญาตให้มันจับจอมือจับจับก็มาไข่ออก ไข่จักไว้แมกับทีทสซื้อบนเนี่ยต้อยโบเป็นอีกซึ่งโ่อดุญาตให้กับต้อยบบได้แล้ววเซนอ๋อต้อยบอึงรูว่าซนบนเนี้ ต, ต้อยต่อยเอามาจีเซมงึงนู้นจี้เซมึก็สูบเขาเนี่ยนี่เป็นปัญหาที่ให้ผมสะท้อนเรื่องการเห็นผุกเป็นพิษเป็นภัยแก่ผมผมก็เลยเอามือสูบเข้าไปนี่มันให้ประโยชน์แก่เมืองอย่างเด มีแต่การทำลายล่างกายทั้งนั้นนำเสือโลกเข้ามาเม้นทราบหนึ่งข่าวมึงรู้จักบอกพ่นาศิบหายผมมาว้าให้ผมเองสาธุาสาธโมมึงเนี่ยบักพินาศิพหอย่างนั้นอย่างนี้อภสลฐรพัดกมันวายผมผมวายผมเองพกกนเลยตั้งแต่เมื่อนั้นมาผมเลยหยุดสุบูรีโดยบสุกงค์กเพือเท่าดนี้ละครับ มีการสุบบุหรีแต่น้ําตานั้นไหลอยู่บนเสาเป็นอยู่างขั้นกระด็ต่อมามีแม่ออกเอาเข้าว้มไปให้แม่ออเอาเขา้าวตบไปให้ผมอย่างให้อยู่เป็นยังมาทั้งทนหน้าสมเทศหน้าสงสารเมื่อผมบบได้เข้ามาในกำนักมีผมจิ่บด้รูธรรมะอันนี้และน่าสมเทศหน้าสงสารผม ก็มีผู้บอกให้ผมว่าท่านพลาน่ะเส่าอย่าให้ว่าท่นมันกระอดบดได้พอเวลาสั่นจังหันแล้วนี่ท่านหลกพ่อวันทองเนี่ยไปหาผมแบันี้ท่านไปชอบอารมณ์เพิ่านไปเห็นผมให้อยู่สดนำหน้าบอะว่าท่านพลาน่ะเรับว่าท่านผมนึกคิดใจหม่ขึ้นเลพรคนนมีอ่ะ มาให้โยนซีกันยำมาสบน้ำหน้าน้ำตากันเราเห็นธรรมะโยนซีกัหน้าทีที่มาปลอบโยนกันแล้วกันโนซีผมมาคิดไปพระว่าหลางพอนี้คล้ายๆคือโบมีธรรมะแท้ๆว่ากันมาสบน้ำหน้าน้ำตากันกน่ะซีนเลยน้ำตาผมก็เลยเศร้ามันเป็นปีตีขึ้นเพราะการเห็นลูกนามทำําอิดมีขั้นแรก หรือว่าผมดีใจกะแมนเป็นปีสี่กะแมยนยินดีเพราะผมได้ลูลูลูนามลูทมนามทมลูโลกนามโลกลูทุกขังอนิจจังอนัตตาลูสมมติลูไปมดในขณะนั้นครับเริ่มีการหยุดยัง้งพอดีอนนอกจากลูโมนียาพอวันทงวาสก็ น, น้ำตากระหายแต่คนเตให้อารมณอีกขึ้น ตั้งสติให้มันดีใส่คนวาครับมก็บอกเราเสียนทะ่านเลยบอกว่าจิตเป็นนากายเป็นเรือตสติเป็นหางเสือปัญญาเป็นคนพายเข้าใจบ่เข้าใจรับตั้งใจนะตั้งคนวานขับว่ะผมก็เลยตั้งใจกระทำกันอีกไปทากันอีกไปในขณะนั้นเย็นจนจนหัวแหลงให้วาจะไป ทำเพื่อนนีไปได้ผมก็ทำเรื่องกันเจนเมโนแรงในขนาดที่ไม่ได้เปลี่นพุน่มมึงนี่แหละผมก็เลยเกิดปรากฏขึ้นอีกตึมเพราะจากการคิดการนึมีเป็นทุกขนัดเมื่อการคิดทุกส่วนถนัดผมก็เลยตั้งส ύ, ีง่เดิมเอาโคทุกตั ว, ว, วนี้มันเป็นละเอียดที่สุดผมเอามือผมมาแกงทีละ ที่มันเงาเหนือท่นแล้วผมขยับเข้ามาพิจาาเนี่มันละเอียดเข้ามาหายใจนี่คนอื่นยังมองเห็นได้อยู่ส่วนจิตใจคิดมีคนอื่นมองเห็นวัวได้ปทัทโต้โสนี้เด้มันละเอียดก้นงูท่านท่านก็เลยเอาสติมามองดูจิตใจนี่หละครับอยู่โ่ยมีไผ่บอกไผสอนเรื่องนี้แจ่คอกูบาอาจารย์กับวได้แนะนำท่นบอกจริงว่าเอาดีๆนะ จิตเป็นนายกลายเป็นเรือสติเป็นหางเสือปัญญาเป็นงนพายเพิ่งไปให้แต่เพียงแค่นั้นผมก็เลยมาตั้งทาง่าผู้ที่เบื่อจิตมันคิดมันนึกนี่คนหน้าเหรอท่านมันติดยังไงเหรอท่นมันคิดมาจากใสทผมมามองค้ามลมหายใจนิดเดียวครับโตกิดนี่อยู่ต้องนอกอยู่นอกลมหายใจนิดเดียวมองข้ามอยู่ที่ตรงนี้นะ่ะพอดีมองข้าที่ตรงนี้ตรงนี้ผมก็เลยปรากรกดเขา หุ่จักปลมัดเมื่อหุ่นจักปลมัดนี่จิตใจผมน้ำหนักตัวผมนี่นะจิตสองกิโลว่าท่นคล้ายๆคือคือมันเบาขึ้นมาอีกขึ้นในเหล่าอย่างน้อยที่สุดว่าท่นผมออกทิ้งเมื่อกี้นี่หกกิโลเหลืออยู่หกกิโลว่าท่นวันนี้ส่วนขวมตัวดีให้มาได้ได้ไหมผมหุ่นจักปลมัดเลยผมเดินจมกมไปอยู่ เดินทางมันโดยเงาครับเดินไปเดินมาอยู่ประมาณอีกจากห้านาทีเป็นอีกขึ้นทําให้ใจิตใจผมเปรี้ยนแปลงประจากสภาพเดินอีกขึ้นส่วนหกกิโลนั่นเนี่ยออกไปอีกขึ้นเหลื่อย่ประมาณจากสี่กิโลปโ่าท้อจิตใจที่มันเปรี้ยนเป็นระดับเป็นอย่างตีเดผมไม่ไปหวนคิดหา อันทุนว่าปร ะ, ะสบมการกสุดท้ายตามนี้มันเป็นอยงซี่พโนว่าเป็นความคิดอย่างที่ล่ะผมก็เลยเดินไปเดินมาอยู่ลรากฏขึ้นมาอีกครึ่มระดับจิตใจมีเฟี้ยนขึ้นมาอีกเป็นครั้งที่ส น, นี่ครับมีอารมณ์เป็นตอนเป็นตอนไป น้ำหนัก4ี่กิโลนั่นน่ะจิืออยู่ประมาณนะจากสองกิโลตกไปอีกขึ้นจากสองกิโลครับข้างตัวซีโนบูเกิดตัวเกิดมาแร้วเคยเื็นติดจักเถื่อแมนนแ่นทางปฏิบัติแทบบัดเนี่ะมาอยู่ที่นี่ผักหนึ่งอิจินึงคิดหาพ่อหาแม่คิดหาอ้ายหาน้องคิดหาในตระกูลคิดหมดโลกบัดเนี่ย คนมีต้องการธรรมะเมื่อทุกคนครับผมเข้าใจได้ละสันมันพรนนาออกไปนอกไปสะกดบัณฑิตพรนนาออกไปเอ๊ะมันคิดไปเช่วนนอกนี่เหมือนบนแมนหรือว่าผมเข้าใจปะยิปราชมันออกไปนอกคุณว่าสันตัวันอันเชื่อนเมื่อลู้นลุบหนาเมื่อลราพันนาอยู่ให้มันคิดนาจีเรียนถึงนยิปัสันูอันเงี้ยสันผมเลยเข้าใจอย่างสิ ต่อไปก็บเบื้องคิดคิดลึกตัวเนี้ต่อไปอีกขึ้นเบิ้งปลายตาประาสาบนอิกูบาจางที่แนะนำจะมียื่นเพื่อนแนะนําอยู่จะเพื่นหักบุกไปหาเพราะมันเป็นเวลาที่มันใช้กันให้ว่าเด็กไปกก็เดินจนโกมอยู่เดินไปเดินมาเลยเลยเลี่ยงกันครับตอนนั้นก็มา น, นอน นอนตื่นมากะประมาณตีสี่นี่นะยั ง, ยงนะครับแล้ยวยังเตยฤทธิเป็นตีสามมันป็นตื่นขึ้นมาซึ่งขึ้นมานมาทำอีกตื่นทํานี่ประมาณจากชั่วโมงนึงครับบัดนี้ครับปรากฏขึ้นมาอีกตื่นเสร็จแล้วบัด น, นี้ปรากฏผมว่าโอ้ลักษณะนี้เป็นอย่างไรลักษณะนี้เป็นอย่างไรไลขึ้นมาตั้งแต่ ถ้าผมรู้จักลูกน้ำไหขึ้นมาไหลขึ้นมาจิตใจมั น, มนเตี้ยขึ้นมาบา น, นี้เรื่องอยู่แบ น, นี้ผมเรนรู้จากว่าเรื่องย้มมุสน่นะครับยมุสบาน่คนคือควรมีคนยิ้มุสเป็นเหตุเจตวมุสเนผลเจตัวมุสนี่คือผลที่ได้รับด้วยอผคิดอย่างตีขึ้นมา ชีวิตอย่างนี้อารมณ์ที่เกิดผ่านมามันประจํามาจํามาจนเขาทุกวันนี้อารมณ์ประจําได้โบลงโบลงจะขอเขาทุกวันนี้มีพี่คนนํามาเล่าจิโมฟังนี่วันนี้เบิ้งไปาู้จักว่าอาโกชนทําบาปด้วยใจมันี่ว่าอกชนตายไปแล้วเป็นอย่างวันนี้อาโกชนทางวาจา ว่าตั <pequeña> <Kristin> ้งแต่ปากซื่อๆร่างกายบุตรธรรมตายเป็นแล้วบาปเป็นหยั่งเหมือนกันอภิสุทธด้วยใจคิดติดสาเบียดเบียนผู้อื่นซื <Tai> ่อๆเต้บดบดดาก่ากายกระทำตายเป็นแล้วเป็นหยั่งเหมือนกันผมถามตัวเองผมได้เนี่ยมันคิดผู้เดียวมันถามผู้เดียวมันมันนี้ทั้งสามอย่างนี่แหละมันมันนี้อภิสุทธ์พังกายมีกายกระทำ ก้าวอีกขึ้นเพนนึงใจก็ยังคิดอิกาฤตยาเขาอยู่เพลนสามอันนี้มารวมเข้ากับเนี่ยมันตายไปแล้มันที่เป็นอย่างว่าท่นรวมเป็นสีข้อด้วยกันมาบวกกันให้ไหม่มวันนี้กุศลด้วยกายกันเอาจะกายทำบุญซื้อชวนวาจานั่นโบปากบเวาวทำตั้งใจกายกายเป็น อ, อย่าง บุเอะไรวะท่านวันนี้กุศลทางวาจาเว้าตั้งแต่ส่วนมู่ทําบุญทํำชามเนี่ยตายไปแล้วไปเสื่อ เ, เป็นหยังว่าทวันนี้กุศลทางใจมีแต่ใจคิดซื้อส่วนร่างกายมีบ่ทำปากก็บ่เว้าตายไปแล้วสเสื่อเป็นหยังว่าท่านคิดจริงๆวันนี้กุศลด้วยกายกายกระทําทําบุญเนี่ยทำดีเนี่ย มาจากกระทำมาท่านใจกระทําำทำมือทั้งสามอย่างนี้หมอบวกเข้ากันเราสายแล้วจิตปรียติดอย่างมาท่านอืมพอนี่แหละครับค่าท้ายสุดขาดจับรูจิตใจสุดเดิดขึ้นเลยครับจิตใจพอมีข้าต้องจัดการตัวนึงข้ากระแมนไผ่บัวเห็นเนาะเรื่องจิตใจขาดเลย่าขาดจับนี่จะเดิดขึ้นเลยครับผมผมเดินจนโกมยิง เดินไปเดินมาผมนึกคิดแล้วก็ขวมสุดในหลักพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าสอนมาแปดมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เนืออลงมาสู้สิดเดียวนี้เดผมไม่เข้าใจอย่างตีลกูกเกลื่เกือนผมก็เกลื่อนพลาดอีกเิ็มนี่มทิ้งอารมณ์หับเลยมาทิ้งอารมณ์ผมที่ผมเห็นเรามานะ่ะเนื้ออกุศลเนื้อกาย ด, ด้วยวาจาด้วยกันะ ทะยุงไปไปสบายโทษเกินไปต้วการที่มันหนักแน่นอยู่ในตัวนั้นตัวนึงมันมดวัากันโฮมารมัดไม่มีอะไรเหลือเสียแล้วบัตรเงินสบายหลสบายหลมันมันคิดติดแค่ ค, คนสุขขับอ้าเป็นหาได้คนว่ากัน้าว่าติดะเป็นสุขเงีม่มันขึ้นหลักลมหลักฐาดไม่เหนียกันเปนคิดขึ้นมาสิดแค่เหมืองกูนผมกลับเข้ามาทวนอารมณ์ผมอีกตือ น, นึง เมื่อกลับเข้ามาทวนอารมณ์ผมแล้วผมก็นึกได้อ๋อ oh, อันนี้เปียกดังไม่มีห้องอันนึงแล้วเอาไม้มาพาดเลยนะจีถ้าเราเดินไปที่ไม้ลําเดียวถ้าเราเหยียบไม้ลําเดียวพลิกแลก้วตกตกลงแล้วก็เป็นอันถึงดินเม่บ่เดียวตายบาย่ใดนะจีว่าดันวันนี้ถ้ามีไม้พาดแล้วก็มีไม้อีกขึ้นเรามจับให้เราเดินไปได้สบายเมื่อเราเทเราเทียจับไม่อันนี้เป็น กำลังแรงเลยโอ้อารมณ์นี่มาเวยให้เป็นกําลังแรงบวให้เราลืมตัวนี่เั้นอารมณ์นี่เอ๊ะลักษณะความเป็นอย่างนี้ผมจึงเชื่อแนว่ว่าคําสอนของพระเจ้านี่มีเพลานี้เนาะนั่นนี่มันเป็นอย่างนี้ประวัติผมคงปฏิบัติธรรมมาคือเราให้ฟัง อ, งอย่างย่อๆก็จากนั้นมาผม ก็เลยปฏิบัติมาอย่างซีเย่อมาแล้วกับมือีนั้นเป็นตังแปดสองหงสคันห้าเป็นมือมืมอสิบตีของพวกเรากับมือสิบตีของมืองเหล่านั้นนะมันไม่พูดกันพระอาจารย์ต่างก็กเลยมาตบมือสิบห้าของพวกเฮาทีมามาก็เลยมาถามผมเอาผมไปถามคุณสอบนักปฏิบัตินำการมีคุณสอบที่รับผลนับผลครับก็คือพวกเรา ให้ไปหาทีละคนโดยได้ไปพร้อมกันมีนักปฏิบัติท้าจำนวนยี่สิบสามองค์ยี่สิบสามลูกให้ว่าจะไปแล้วก็มีโยมผู้มีผู้ตายจะมี5้าคนปฏิบัตบิด้วยกันพวนั้นไปหมดแล้วบัานนี้กเดดเไไฤฤ็เป็นุกเพี่ยนผอมไปเืราน้ำแดดผนเป็นระบาดไปเมื่อไไปฮอดพนกระถามเป็นยังไดว่าันพนถาม เมยครับว่ากระบอกคเมยนก็รู้จักในวัหนมเมย์คยชิน่บู้จักเพก่นกคยินรู้จักทุกคนว่าเมย์ันทำงานเอย์ยันบอกเมย์เครู้จักมันก็รู้ตอบว่าเมยครับว่ารู้จักว่าเมย์รู้จักครับว่าก็ตอบตั้งตตอบตื้อตื้อในวันได้ไปอนี้ต้องกันเลยว่ายังอยู่้มีสตีรอสันมีครับว่าตั้งีย่ใสสน เมื่อกับผมนี่แล้วครับวะจึงก็เลยบอกว่ากลับเข้าห้องกลับมาถานอีกนึงไปว่าท่นผมบอกปัดโผ่ว่าอาจารย์นี่สื่อมาแก้ปัญหาถามปัญหากูเลยเด้บาดเหนือกันผมก็เลยย่างโดยจนินกรมอ่ะโอ้ยเมื่อใดเด้กูจะได้แก้ปัญหาท่านอาจารย์นี่เนาะท่านผมคิดเงี้งีอยู่เอาละโดยเปมือนึงกับวันหนึ่งแหละเพื่อทีมาสอบอารมณ์กูเนือกันผมใจกล้าหาญเอือกันครับ เรื่องอารมณ์เนี่วยกล้าอยู่วันนี้กต่ตกลงมามือหน้ามาตั้งกับมาอีกทีแล้วครับมาสอบอารมณ์โดยมือหน้าบนไม่ติดกันไหมครับระยะห่างกันสองนิขึ้นมามาก็เลยเอานักปฏิบัติจํานวนยี่สิบสามคนมาไปสอบก่อนผู้ชายผู้หญิงอันที่ปฏิบัติจํานวนกันไปสอบคนนี้ก็จะเป็นคนสุดท้ายอีกทีวันนี้เห็นัหม เอาพระออกเสินงคานมาด้วยวะท่านท่านก็นั่งอยูโตะคือังซีแหละส่านก็นั่งคุยพราจารย์นี่แหละท่นอิงหมอนเทามีหมอนเทาใหญ่ซืหมนเทาขาเจ้ามาถวายเขานี่นั่งอีงอยู่บนกระถางจนไปฮอสนเป็นยังได้พระออกเสีนคานนะท่านไ่เป็นอย่างครับวะท่านฮะวะท่านเป็นว่าเป็นตะโอคุณคู่ให้ว่าจะไปใจนี่วหนึงยานซึ่งบางเหี้ยเอ้ามึงยานยังไง มึงบอกให้บเจิตบนาโบเปตนี่เนี่ยมูย้ายยังไงกันนีใจเกิดขึ้นอีกสิ่งนึงหนึ่งไข่ไข่คือมีครูประเด็บโเป็นครูนั่งเหงื่อค้างได้ครับจิตใจเนีมันกล้าขึ้นมาอีกสิ่งหนึ่งหนึ่งลข่ไข่คือว่าบุญยานให้มันได้ไปครับใจกล้าหาสามาดว่าได้แบบนี้ใจมีเพราะมียานคือเมื่อกี้เลยย่านทาไมกันเราจะว่าไปย่างตรงไปตร ง, งมาไม่มีวะท่น ถ้าถามเป็นปัญหาก็ต้องแก้ปัญหาวัากันคิดอยู่ในใจบ่เนี้ยฮึ่เพิ่งเคยเลยถามถามมาพออาถึงหาว่าใจยังในถึงคิดจักหนึ่งเรื่องจักว่นกันไม่ได้ตอบวันคู้จักอันไหนว้นคิดจักตัวผมนี่แล้ววันตอบวันคู้จักอันไหนคิจักตัวพอเน่ะ ทู้าจากักโลกธรรมนามธรรมทีจับโลกนามทู้จักสมุทัยทจักศาสนาทู้จักพุทธศาสนานี่แล้วาากันเฮ้ยคนขันรือจับโลกู้จักนามู้าจากักโูกธรรมนามธรรมู้จกั ก, าจากศาสนาครับบ้าทนะคคนตายแล้วนี่เท่านั้นแล้วแตเป็นวนันแม่นครับผมตายไ้แท่า ก, ก่อนก็เป็นคนตายแล้วครับวะ่ะผเกิดใหม่ไี้เดี๋ยวนี้นี่ครับว่วาชาวบ้าน อ้าวคนคงเกิดไม่ที่มาอย่างเชิงซีไรตว่าแต่คนถามมันเด็กน้อยมื่อกี้มาจังซีไดต์ยังไรว่าแต่คนว่าคนคูกับแม่คนว่าคื่อๆกับแม่เด็กน้เกิดไม่ยังซ้นครับว่าผมเกิดไม่นี่หมายถึงบม่ได้เกิดจากทองแม่ครับว่าผมเกิดปัญญาอันนึงขึ้นมาในตัวผมนี่คื่อๆนี่ได้ครับว่าโอ๊ยคนเนี่ยเขาดูจากลูกพูจากหนานี่ยที่จะคือคนตายแล้วนี่แล้วแต่คนว่าสองเอค่ะคน ผมรู้จักแต่แทรคแต่ก่อนครับเดี๋วนี้ผมรู้จักเดินหนึ่งครับนี่รู้จักว่าเป็นทางไหนพอเสื้อแทรบอดเสื้อขับบอดทุกคนว่าบอแมนจินว่าแมนบอดแมนขับบอดอาจารย์นี่ว่าบอดแมนจีเสื้อบอดเสื้อคขับบ่ดเสื่อผมเองมาฉันก็เลยมานั่งกองคิดอยู่เป็นคือหาพ่อมาถามผมนั่งประมาณอยู่บนนาำนะครับนานกันทประมาณจากห้านาที แล้วบางนีน่ะเขาเลยถามมันนผออกลียดเข็มบอกว่าแต่คนถามโอ้ยอันนี้ที่กัที่มาถามกันลนะนเ น, ลลน้นวเจจอว่าเป็นปัญหาเด็กน้อยแล้วแหละบะเหนียวสันทงเข้าใจอย่งสีผักเป็นปัญหาเด็กน้อยว่าสันทรคิดอยู่างไมาถามอย่างซีมาถามปัญหาเด็กน้อยแล้วแล้วน่ามั่นใจต่อคนอะ่ะ เือนั่นมันโกเข็มเลยครับแบบมันยุกกระหอบผมมันไม่ได้ยุลีนผมเนื้อถูกบูงเข้าจักว่าเกือเค็มเพราะเกลือไมยุดลีนผมมันเค็มท่านมันเค็มกับเค็มญีุ่่นมันโมเข็อยุลีนผนี้ผมว่าเกลือโมเ็มยุลีนไหมครับว่ามก็บอกบังทีเลยท่านก็เลยอ้าวเกลอของมันเค็มมาให้ได้ว่ากันโมเข็มครับกลือไม่ยุดในลีนผมต้เคยแล้วไป ก็นั่งไปประมาณอีกตั้งแต่ห้านาทีผมหาพม่จีมาถามผมกลับมาถามว่าพอออกออกมันมักพิกเผ็ดบ้าผมก็ตอบอีกลื ม, มามักพิกบุษรอยู่ลีนผมนี่มันจีบอย่างไรครับผมบวงรู้จักมักพิกเผ็ดต่ำมักพิษนัน่งบุษราจินลีนผนถ้ามักพิกอยู่ในลีนผมนี่มันเผ็ดผมก็จีร้จกัก เดยวนี้มักพิ่เบลากูรีนผมผลเ็ปเดี๋ยวนี้นี่ครับมักระตอกไปกนะทีอการนั่งข่าวมุงประมาณจักห้านาทีเน่ยแ่เพื่นคิดถามแต่ละครั้งละครั้งเนี่ยครับคุต้องคิดแต่ก่อนคุณ อ, อาจารย์ฟานเนี่ยต้องคิดบัดมีคนถามมาพอออกะ่าสนสมมตินหน้าบัดนี้ะท่านวานเนี่ย คำว่าดำมีสีอันใดดำหลาย อ, อกักจากเปนลางไงโอ๊ยว่าท่านอาจารย์ถานี่แต่ว่าบางน้องอาจารย์เป็นผิดผคำว่าดำที่มันมืกกับดำทั้งนัแล้วครับอันใดดำเหลือจะดำไปด้วยมีตะขาบว่ะนี่ก็เลยเข่าไปกลับมาถามอีกตื้มนมันข่าวเองอันใดข่าวและเท่ากันน่ครับ คำว่าข่าปกับมืดกับข่าวเท่านั้นข่าวเลือกข่าวไปไม่มีไม่ว่าอันใดครับว่าไกตอบพลวงไปโรดแับนี้ว่าดำก็คือการเลือดดาไปไม่มีข่าวคือกันเลือกข่าวไปไม่มีซีวคือกันเลือซิีวไปไม่มีแดงย่างเดียวกันครับเลือดแดงไปไม่มีเรื่องคือกันเลือเรื่องไปไม่มีสุดเท่านั้นครับว่าเรื่องมูนี มันจุดกับเรื่องของมันทีสุดอก็ตอบบังทีเพิ่นที่ถามหาจุว่าที่สุดของพุกทำเพียงแค่ไหนท่นผมเข้าใจไปอย่างตีเคนใหมายของเพื่อนการสารถามผมถามปัญหาเด็กน้อยผมเข้าใจไปในทองอัย่างผมว่านี่ยผมเข้าใจว่าเพื่นที่ถามหาที่สุดกาปรปฏิบททัติทมนี่มันคือเพื่แค่ใดวะท่า น, นท่นนานคือที่มีคนใหม่อย่างตอนผมก็เลยแก้ไปทั้นเลยโดนแเดียว ตันนี้เพิ่งจะเลยมานั่งเริ่มตึกโยมาะไรขับวัด <c oughs> <c oughs> สมมติว่าวัดหลังตีมุตระหลังนี่แหละเต็มตาเนอออกไปหั่นกับเต็มตาห อ, อกดอื่งๆดอนนี้แล้วมีโยมคนหนึ่งออกจากนี้ไปแบกปืนไปวัดกันขึมานะ แล้วไปเห็นเสื่อตัว น, นี้ยเิยสเยสื่อใส่ทิ้งใบ่อนฮั้นแล้วโยมคนนั้นก็ไปบอกให้โยมมาหาอาจารย์ที่มาบ้อกัน <c oughs> ผมขลิดต่อเป็นกามาแล้วพระอาจารย์ตั่งมาขึ้นแล้วโยมาหาอย่างไรกูบาอาจารย์ตั้งมาขึ้นมาหั้นเสือใส่กัดปรทันลานอ่าที่ขัดตังไหนขับสเสือบัวทันเห็นแค่นี้มั้ง ที่ให็ดต่ไหนมาก็ต้องรีบแมวตะเพิ่นวานโบนรีบครับผมตียางมานำทางขันหมาเที้ๆันงมานำทางเสือใส่กัดแท้ๆตะเพิ่นวานบอครับผมโบรีบพันพันงพันจูงไปในทางที่ให้ผมหลบครับผันึกได้โอ้ยพันอาจารย์นีม่มาถามวิปลาดเหล่าแล้วแล้วอันนี้ว่าท่นผมเข้าใจยังสิ คนบูมู้จกักวิปลรราชปฏิบัติวิปัสนามาจีบู้จักจิตหมายปลายทางอย่างได้มันก็ให้ไปโทษที่โทษเด่นผมบอกผมเข้าใจไปบางทีผมบุรีทางหรอกครับต่อเมื่อผูมเห็นเสือเมื่อใดผมที่จะรุลีเมื่อนั้นถ้าหากผมบุเห็นเสือเมื่อใ ด, ลอออใดแล้วผมบุลีบางทีผมเอาชนะเสือก็เป็นได้ผมไปสอบบางทีพอดูตอบบางทีจริงบอพอออกว่าเส้นบนทางรับว่ะ มีความสามารถจังสันเตืองสามารถจังซี่หละครับวพันหนึ่งจำนวนคนปฏิบัติอย่างนี้ผู้หนึ่งขออนุโมทนาบ น, นบเรเนเอยโยมือนจนเขาดดีใจดูเสียใจยังเป็นเวลาขวานั้นแล้วกันเช่นมีการปฏิบัติยึนนำสำานักหลวงพ่อบรรทงเป็นเวลาสามเดือน เมื่อครบกำหนดสามเดือนแล้วบัญนี้ผมก็เลยในมลผ้าจำนวนยี่สิบสามลูกนั่นแหละไปทำกลมเข้าใจกับท่านอาจารย์ต่างยุวตโกปอหลวงไปไขละวะเพลินให้มาเด้๋ไปชื่อผ้าสบงเนี่ยยี่สิบสามพลนไปอีกด้วยไปไขละวะเพลินอาจารย์ต่างยุวตโกปอหลวงเหมาลดไป เมาเหือไปก่อนบนเมาลวดเทือาเมาเหือข้ามุพากไปพอดีขึ้นตกเยหวกันแล้วก็เมาลดไปโลดขึ้นไปเข้าไปหาสำหนักอาจารย์ตามนี่ที่วัดโสภารหลวงไปทำคงเข้าใจกับเพิ่นไปขายระบาเพิ่นเมื่อกลับมาถึงวัดหลังสืมุ่น้าลางก็เอาผ้าจำนวนยี่สิบสามผืนนไปถวายทุกองค์ทุกองคไปขายละบาจนเมื่อทุกองคุณก็ขึ้นมาบันนี่ย ขึ้นมาถึงบ้านผมก็เลยมาเบะบ้านดูโฮมท่านปกติบ้านผมวันพระผู้เฒ่าผู้แก่ต้องไปจําสินี้นั้นมาห้องกับเป็นวันพ ผ, ผู้เฒ่าผู้แก่ไะจําสินอยู่ท่านจํำสิง น, นี้นผมก็เลยไป น, นอนนะคเขาเจ้าบโกขึ้นมาถึงเตียงคานนอ น, น, น, ท, นท่านก็เลยมันกระามไป่พราะเสื้อนี่นหละเตียงั้งไดยน่าเคยอยู่ท่านเราว่างเสียงให้พวกเรา แม่เมีนแล้วหลุงว่าบันีิ่งค่อยตัดสินใจว่าเมีนแล้วเดี๋ยววะท่ น, มนเมียนแท้ๆบอกว่าทนเมี น, มนวะก็เลยมาสอนจังหวะให้พระเจ้าเมื่อนั้นนะ่ะเดินโกมๆคิดจังหวะกันอยู่หันหลังเมื่อ น, นพอได้ชื่อน้องเขานี่กี่เวัฒนะบ้านเมียวะท่านก็เลยมาว่าพ่อแม่พี่น้องพวกเราเนี่ยพากันมาจําจิอยู่วัดเนี่ยมาจักบอกมากกันชุกจุกคิ มีแคะกองคำมากแล้วกับบุรีผู้สายยู่กองอยู่ข้างนั่นมีแค่กองขี้บุรีมาจําสินมาเอาบุญเอาซีแม่บุญเส้นคนเดียวนึกับวอดายดอกวา่าชีผมวานะเชียดทึบทับขึ้นมาเลย ค, เนนครับคนโอ้ว่ากันมาดูทุกดูมินดูแผนนะคี่เขาเจ้าสางว่าเจ้าผู้ฮักกันยังยังมีอยูอย่เนี่ประวัติอันนี้ เรื่องความจริงนี่แม้เขาไปบอกงกงนี่ปุ๊มันเทอะแต่เธอเลยครับเรื่องสู้บุรีเนี่ยเป็นเหตุหแต่เธอแค่มาไม่เป็นเหตุเป็นพุกเป็นไผ่แต่เธอผมก็เลยเด็ดขาดไปเลยพายายามมีนัญชีหาวิสีตั้งสำนักเป็นเลยเกจิวาเรื่องตั้งสำนักเนี่ยเพราะว่ากานให้เกจิวาวเรื่องตั้งสำ น, น, น, นักนี่มันินงานเลยจิวาวนี่น พยายามอยากพุทธธรรมะนี่แหละครับพยายามสอนธรรมะอยู่ทั้งสํานักเนหน่อยคุนซอนหยุดเป็นเวลาสองปีกับแปดเดือนกับในออบสอนเดือนขนาไปเป็นโยมสอนเว้าวธรรมะบ้านนั้นบ้านนี้แนะนำตำหนักย่อของก็เปิดแล้วเราบอได้เว่าได้วิธีการเพื่อตำหนักเนี่ยเพราะมันขี้เหีาวคันถ้าเวาไปอ่ะอ่า เปิดสำนักแล้วก็กสอนเดือนธันวาส2ปี8เดือนมีคนเข้าใจธรรมะนำผมนึงคือพี่ไอ้เคยผมพูนีพี่เอ้ยผมพูนีแล้วก็มู่เพื่อนก็มีประมาณจัก4、5คนเข้าใจธรรมะเลื่อมากับมาวากับลูกเลยบัานี่ยว่าการประกาศธรรมะนิ่ติโหยนี่เหมือนบกบ้วงผงแล้วแล้วไม่ไปไปเถียงแคร์มอ ท่านภาคูบัวที่เราเคยได้ไปประกาศธรรมะนี่คือที่สนุกแท้ๆว่ากันหลักพุทธศาสนานี่คือที่จเจริญขึ้นคนทุกคนต้องการคนตกในหลักพุทธศาสนานี่ยแม้มดทั้งโล ก, กว่ากันผมคิดจริีๆโลกเนี่ยจะเป็นโลกใดก็ตามกลางต้องการธรรมะต้องการคําสอนของเลีรร้ยวแท้ๆว่ากันก็เลยมาขอผู้ไม่ออกนี่นะ ห่อสองเ่อสามเธอระบอบ่ให้หลกักกระบวาบอให้หลักกระบวาก็บบาเลยเรียกลูกมาลูกผมมีสอคนมาทานลูกก็เลยตอบว่ายกหันยากกระบวนบารปกครอ่าจาวาจ้าองก็ทุ่นใจโดยเดียาเพราะลูกให้อภัยมานะกุกทีออกกันเลยว่าก็เอาใจใจแล้วว่าท่านท่าน บ, บานท่านโระบาดนี้ ก็เลยตกลงตัดสิแต่ว่าที่บวยอมาประกาศธรรมะเราก็เลยบอกว่าการที่ไปแท้ๆกลับไปไปละครพนมกับคอนมสันลาลาไม่ออกนี่วาไปกับไรวะไปกลับมาไปละครพนมเนี่ยไปแล้วก็โง่ขึ้นมาทอดอุดรไปพละครพนมบุ่งกลงได้ครับถึงว่าเนี่ยโง่ขึ้นมาทางอุดรเนี่ยมาก็มาซื้อของอุดรนั้นมานอนพังแกอันี้แบบเนี้ย นอนคอนแก้นะครับนอนคอนแก่นี่คืนนี้สองคืนนี่แหละครับเราเบียกมือเทื้าขาเราเลี้ยอยู่นี่แหละขาเรายางไปยางมาขึ้นล็กขันนั้นขันนี้ขาเราเที่ยวไปเมืองคอนแก่นเนี่ยให้เราไม่จักก็เลยไปฮอดเซียงขานกลับคืนบ้านแต่ฮอสเซียงคานเนี่ก็บอกให้เราเจ้าไปบ้านไ ป, ไปบอกพี่บอกน้องไปข้อจีนอนบ้านเซียงขานที่ไหว่ากัน แล้วกะกับคืนไปบอกที่บอกนองเราล้วก็กันอนเซียานแล้ ว, ว ก, ก็นนนวกไปนอนบ้านเจ้าของบานเนี่ยแล้กขอนอนวัดนาเพิ่นหลวงพ่อจ้คณะอำิเียนขานนี่เนี่ยนอนฮั่นนอนตื่นลูเศร้ามาเนี่ยเจ้าของทีบวดไปแล้วเลยให้ผมสะเทครับามาสินอนตื่นามันกน็ถามเบว่ออะไรสบื่อเพราะมีอาจารย์ตืดมีอาจารย์ตวดผู้เดียวอาจารย์จูนเนี่ยคัั้นีบว ก, กัเป มนเอาพ้นอาจารย์ซุนมาที่วราจันก็เลยไปมนเอาพ้นอาจารย์ซุนนี่มาเป็นพระอาจารย์สวดให้อาจารย์ซุนนี่ก็เลยมาพระนั่งหัตถบาตผมนั่นโบมาครับมีเพียงสี่ลูกอาจารย์ซุนเพื่อเดียวสวดพอดีรวดเสร็จแล้วได้สี่มือ วัดโขนใจอยักเพื่อสำนักวิปัสนาอิตาแล้วบ้าเนี่ยท่านหลวงพ่อก็เลยให้ไปสอนไปสอนอยู่กระบนน้ำแล้วก็มีท่าไปจากจังหวัดอุดอรนี้ไปสอนวิปัสนาให้บ้านา น, า น, น้น้มันน้องสาวเพื่อนนี่แหละเป็นโตแห่งพิ่งก็เลยเอิ้นผมมาถาม่าหลวงพ่อ คนเข้าวิพัฒนาเป็นตัวแข็งันลงพ่อหัจักบัวอ้วนกับหักจับน่ะครับยี่สีเข้าตัวแข็งมาสัญญา น, น, นีงผมใหิกะเปลีนครับละก็เลยบอกจันว่คันท่านไต้ไเธอแต่แก้เอเออจั่ไปกระได้จะไปดูหัวจักทางคันหลวงพ่อพาไปผมไปได้วะที่ก็เลยไปไปทาวิธีเปิร์ดอีกขึ้นละอันเรากำลังวิพัสนาแบนี้ต้องเติเด บิดเดียวกันนี่จะเปิดพุ่ิตันมีอยู่กับทางตัว ม, มือเดี๋ยวนี้เปิดวิปัสนานี่ก็นยักษเราเพื่อหาวิธีสวดสัญโตเปิดวิปัสนานี่ก็ะด็ก็เลยเอาน้องสาวเพิ่นมาเขา้าเขาผมก็เอาเพิ่นไปนั่งไข้ผมหันที่น้องสาวก็ น, นั่งตัวหน้าหันมันก็คอยดึงลมหายใจมันหน้อยเขาน่อยเข้าลมหายใจธรรมดาคนที่เป็นตัวแขมต้องสะกดนะ ถ้าใครต้องการเรียนเนี่ยผมได้เตยเว้าอยู่บ้านหนองบัวต้องการเรียนเรื่องที่เข้าตกแตนเนี่ยไม่ให้เกินสามสิบวันผมจะสอนให้ได้เพราะผมกำนานผมได้บอกรองที่ถาพวกหามคได้อเพราะทงคุณว่าจะเอาลูกมาเข้าว่ารย์เอามาไม่ให้เกินสามสิบวันจะสอนให้จริงจริงว่ะผมทาอย่างดีล่ะวอลข้ามแต่ตะกอน พอดีมันหันใจเลี้ยวเข้านอยเข้าเนื้เข้ามาจิกกั้นนะมันจิกเขาตกแข็งเหมนกระรูบอกหลงพอในที่เขาจะแข็งนั้นเลี้ยงนี่ยวะพี่เกิดเอิ้นเอิ้นน้องสาวเบินเนี่ยมันก็ะตื้นขึ้นมาบันเนี่ยก็เลยหายไปหายไปแล้วกันทําอีกตื้นเหมือนกันทำไปทำไปมันก็นั่งกับเดินลมหายใจมกันน้อยเข้าเนาะคมันก็จะเป็นอีกตื้นรู้บอกหายเลย คนโดยรู้สึกตัวน่ีเข้าโจกแขกเนี่ย